เรื่องเล่ามากมายจากหลวงปู่รูปหนึ่งซึ่งท่านเป็นพระกรรมฐานสุปฏิปโนที่มีอายุเกือบ80ปีแล้วนะคะท่านได้เล่าถึงประสบการณ์ในการออกทุดงควัตปฏิบัติสมาธิภาวนาในป่าที่ต้องผจญกับพยันตรายต่างๆไม่ว่าจะเป็นสิ่งลี้ลับความมหัศจรรย์เรื่องราวประหลาดมากมายหลายๆเรื่องหลวงปู่ท่านนี้ก็คือหลวงปู่จันทาถาวโรแห่งวัดป่าเขาน้อยจังหวัดพิจิตร ประสบการณ์ในการออกธุดงค์ควัดมีอยู่ในหนังสือประวัติของหลวงปู่จันทาซึ่งก็เป็นการรวมเรื่องที่ท่านเดเล่าให้ญาติโยมฟังในโอกาสสำคัญต่างๆค่ะ โดยตัวของบีเอก็เห็นว่าหลายเรื่องเนี่ยน่าสนุกคงพอหาอ่านกันไม่ได้ง่ายๆนะคะใครที่อยากจะอ่านก็ต้องไปหาท่านถึงพี่จิตเพราะว่าไม่มีการพิมพ์จำหน่ายเราก็เลยขออนุญาตแนะนาเรื่องราวในบางตอนมาเล่าให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์เป็นธรรมทานสำหรับผู้ที่สนใจตอนหนึ่งที่จะเล่าต่อไปนี้เป็นเรื่องสวรรค์ค่ะหลวงปู่จันทาถาวโรท่านเล่า ว, ว่า ท่านเคยประสบพบผ่านแล้วก็พบเจอพร้อมกับสนธนาธรรมกับเหล่าเทพเทวดาจากสวรรค์นะคะบอกว่าในปีพศ2505 อาตมาได้ขึ้นไปภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพนอําเภอหนองบวัวลําพูจังหวัดอุดรธานีในตอนนั้นนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นจังหวัดหนองบวัวลําพูซึ่งถูกแยกตัวออกมาจากจังหวัดอุดรธานีแล้วเรียบร้อยซึ่งท่านก็ขึ้นไปภาวนาอยู่กับหลวงปู่ขาวอนันโยค่ะแล้วก็หลวงปู่หลุยจันทาศาโรโธในสมัยนั้นที่วัดถ้ำกองเพนก็ยังคลุกคลาดอยู่มากไม่สะดวกสบายเหมือนทุกวันนี้ แต่ว่าก็เหมาะสําหรับการทําความเพียรมากมายเข้าที่นั่งก็รวมสมาธิได้เร็วรวมได้ทุกขณะนั่นแหละเมื่อไปอยู่ที่นั่นก็เลยตั้งใจทําความเพียรไม่ลดละด้วยการอดนอนผ่อนอาหารตลอดไตรมาสตั้งใจทําความเพียรอยู่แบบนั้นอยู่มาวันหนึ่งเป็นวันเพลนค่ะเมื่อเดินจงกรมเสร็จแล้วหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่ก็ไปนั่งภาวนาในถ้าใหญ่นั่งสมาธิก็กาหนดพุดโทโธเป็นอารมณ์ของสติ ไม่นานจิตก็วางพุทโธแล้วจิตก็รวมสู่ภวังพบอันแน่นแฟน้นอุปจารธรรมก็เกิดขึ้นมีแสงสว่างกระจ่างแจ้งเกิดขึ้นกลางคืนก็เหมือนกลางวันสว่างโรยอยู่แบบนั้นไม่นานก็มีฝูงเทพพ ย, ยดาทั้งหลายซึ่งมีแต่ผู้หญิงล้วนๆรูปร่างใหญ่โตมโหฬารสวยงามเหมือนพระจันทร์วันเพ็นถือธงแดงแล้วก็ทูบคนละดอกลงมาจากฟากฟ้ามาถึงถ้ำก็เอาธงปกัก แล้วก็จุดธูปพากันกราบไหว้กราบที่หนึ่งว่าพุทธโธกราบที่สองว่าธรรมโมแล้วก็กราบที่สว่าสังโฆสระณังคัจฉามิเสร็จแล้วก็ทําวัดเย็นจากนั้นก็สวดธรรมจักกับปะวัตนะสูตรอนัตตลักษณะสูตรและอาทิตยปริยยาสูต ร, ต ร, ยยตรทั้งสามสูตรนี้เขาเรียกว่าราชาธรรมซึ่งเป็นธรรมอันยิ่งใหญ่ของาศาสนาพุทธ ทำทั้ง 84,000 ี่พันพระธรรมขันมารวมกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดเมื่อสวดมนต์เสร็จแล้วเขาก็นั่งภาวนานานนับชั่วโมงสองชั่วโมงสามชั่วโมงเรียบร้อยดีสงบดีเมื่อเสร็จแล้วเขาก็กราบพุทธโธธรรมโมสังโฆแล้วเขาก็จะจากไปก็เลยได้กำหนดจิตถามเขาบอกว่ายมมาจากสถานที่ใดเขาก็ว่าท่านอาจารย์พวกข้าพเจ้ามาจากเมืองสวรรค์ มาที่นี่เพื่อประโยชน์อะไรหรือโยมเขาก็ตอบว่ามาบูชาแก้วทั้งสาประการนะท่านหลวงพ่อก็ถามต่อไปบอกว่าบูชาเพื่อประโยชน์อะไรทางด้านของเทวดานางฟ้าที่ลงมานค ะ, ะก็บอกว่าเพื่อบาเพ็ญกุศลนะท่านเพราะแก้วพุทโธแก้วสังโคนั้นเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่ในการบูชาด้วยดอกไม้ทูบเทียนและของหอมถามเข้าไปอีกว่าอยู่บนสวรรค์ไม่ได้บำเพ็ญหรือโยม บำเพ็ญอยู่เหมือนกันแต่ว่าได้รับผลน้อยไม่ได้มากเหมือนอยู่ในเมืองมนุษย์ในเมืองมนุษย์ทำน้อยแต่ว่าได้มากทำมากก็ยิ่งได้มากเพราะว่าเป็นสถานที่สำหรับบำเพ็ญบุญกุศลจะไปสวรรค์หรือพรหมโลกก็ต้องมาบำเพ็ญบุญในเมืองมนุษย์นี่ก่อนจะไปนิพพานหรือพ้นทุกข์จากโอดสงสารก็ต้องมาบาเพ็ญบุญในาศาสนาพุทธในเมืองมนุษย์นี่เสียก่อนจึงจะได้ไปนอกจากนั้นไม่มี ในสมัยพระเจ้ากัสโปโนนเป็นยุคศาสนาของพระเจ้ากัสโปนะคะพวกข้าพระเจ้าทั้งหลายชายหญิงเป็นชาวบ้านก็พากันประพฤติวัดปฏิบัติขัดสีแก้วทั้งสาประการให้สว่างสวัยรุ่งโรจน์ทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยการเดินจงกรมบูชาแก้วทั้งสามดวงนี้แก้วพุทโทแก้วธรมโมแก้วสังโคทำอยู่อย่างนี้เป็นนิดไม่ลดละล้วนแต่เป็นบุญกุศลทั้งนั้น ทานการกุศลสิ่งใดก็ให้แก่สัมมะชีพราหมณ์นั้นก็จะกลายเป็นของทิพย์ไปรอคอยอยู่บนสวรรค์ทั้งหมดฉะนั้นเมื่อพวกข้าพระเจ้าไปเกิดบนสวรรค์ก็มีแต่ความสุขสำราญซึ่งเป็นผลจากการประพฤติปฏิบัติธรรมกันมาถึง 20,000 ปีในสมัยศาสนาพระเจ้ากับสโปโนั้นผู้คนอายุยืนถึง 20,000 ปีเลยนะท่าน พวกเทวดาเหล่านั้นล้วนแต่มีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามมีสีผิวขาวเหลืองแล้วก็มีผิวแดงไว้ผมยาวมีสายสร้อยรอบตัวนุ่งผ้ายาวครึ่งแข้งเหมือนคนโบราณเวลาเดินก็งามพูดก็งามเมื่อเปรียบเทียบกับมนุษย์แล้วไกลกันเหมือนกับฟ้ากับดินเลยนะจากนั้นเขาก็ฝากธรรมะว่าท่านอาจารย์ขอได้โปรดไปแนะนําพร่ำสอนญาติโยมทั้งหลายให้พากันบําเพ็ญทานศีลภาวนา บำเพ็ญสมถกรรมฐานวิปัสสนากรรมฐานสีมสมาธิปัญญามรรคโพชฌงเจ็ดแล้วก็พากันเดินจงกรมฝึกจิตอบรมจิตสอนให้มันดีนั่งสมาธิภาวนานั่นแหละจะเป็นบุญกุศลอันยิ่งใหญ่เหมือนดังที่พวกข้าพเจ้าทำอยู่อย่างนั้นสอง0มืปีเมื่อสิ้นลมแล้วเหมือนกับว่านอนหลับแล้วตื่นขึ้นฉะนั้น เสร็จแล้วเขาก็ลาจากไปก็ปลิวขึ้นสู่อากาศเหมือนกับนุ่นต้องลมปลิวหายเข้าสู่กลีบเมฆไปเลยในขณะที่สนทนากันนั้นก็ลืมถามไปว่าพวกเขาเหล่านั้นมาจากสวรรค์ชั้นไหนก็ได้แต่ถามว่าทําไมจึงมีแต่นางเทพพ ย, ายดาไม่เห็นมีเทพพบุตรเขาก็ตอบว่าเมื่อครั้งที่พวกข้าพเจ้าเป็นมนุษย์ได้บําเพ็ญทานศีลภาวนานั้นไม่มีพวกผู้ชายไปบําเพ็ญด้วยเลย ดังนั้นเมื่อไปเกิดบนสวรรค์จึงไม่มีเทพระบุรนั่นแหละทำอย่างไรก็ได้ผลอย่างนั้นพอรุ่งเช้าไปทํากิจวัรหลวงปู่ข่าวท่านก็ถามว่าเมื่อคืนเนี่ยเห็นภาวนาอะไรบ้างอาตมาก็เลยตอบว่าหลวงปู่ครับผมตั้งสัตว์ไว้แล้วว่าจะไม่นอนทั้งกลางวันและกลางคืนเมื่อคืนนี้ภาวนาแล้วจิตสงบ เห็นสาวสวรรค์ลงมาจากสวรรค์ในราว60สคนมีรูปร่างสูงใหญ่สวยงามถือธงแดงแล้วก็ทูบลงมาคนละดอกเอามาปักไว้ที่หน้าถ้ำเสร็จแล้วก่อนที่เขาจะจากไปก็ได้ถามเขาว่ามาจากไหนเขาก็ตอบว่ามาจากเมืองสวรรค์หลวงปู่ขาวอนันลโยท่านก็บอกว่าปัดจัดตังจะรู้เห็นเฉพาะผู้ปฏิบัติใครปฏิบัติผู้นั้นก็จะรู้เห็นเองนะ แต่ถ้าปฏิบัติแล้วจิตไม่สงบก็จะไม่เห็นเมื่อจิตสงบลงสู่อุปัจาระธรรมแล้วก็จะเห็นได้เพราะว่าจิตเข้าสู่พบเดียวกันกับพวกเขาเหล่านั้นนั่นแหละก็เห็นจริงเห็นแจ้งประจัดชักว่าสวรรค์ น, นั้นมีจริงถึงแม้ว่าจะไม่ได้เห็นเมืองสวรรค์หรือว่าไม่ได้ไปเมืองสวรรค์แต่ก็ได้เห็นนางเทพธิดาทั้งหลายเหาะลงมาจากฟ้าลงมาไหว้พระสวดมนต์และนั่งภาวนาอยู่ที่วัดถ้ำกองเพลนนั้น ยังมีอีกตอนหนึ่งนะคะซึ่งเป็นตอนที่หลวงปู่จันทาถาวโรค่ะท่านได้ไปเทศนาโปรดเทวดาที่มาจากภูเขาใหญ่ค่ะในสมัยนั้นได้ไปวิเวกที่ถ้ำพระบ้านตานเรียนอำเภอกุจจับจังหวัดอุดรธานีภูเขาลูกนั้นมีถ้ำอยู่สองสามถ้ำไปอยู่กันคนละถ้ำกับอาจารย์บุญพินวันนั้นนั่งภาวนาตั้งแต่หัวถ้ำราวเที่ยงคืนจิตก็สงบ แล้วก็เกิดแสงสว่างกระจ่างแจ้งจากนั้นก็มีฝูงเท พ, พบุตรเทพพญดาลงมาจากภูเขาใหญ่รูปร่างใหญ่โตวสวยงามแต่ว่าพูดจาเสียงแข็งแต่ก็ไม่ใช่ลักษณะการด่าหรือว่าการต่อว่าหรอกนะเขามาขอรับพระไตรยสรารณคมและก็ศีลห้าหลวงปู่ก็เลยถามว่าจะรับไปทําไมเขาก็บอกว่าพวกข้าพระเจ้าหมดกเกษียณพพชาติที่อยู่บนภูเขาใหญ่แล้วจะได้ไปเกิดยังเมืองมนุษย์อีกเมื่อเห็นท่านอยู่ที่นี่ก็ดีใจ ก็เลยมาขอรับพระตรยสรณคมและศีลห้าเมื่อหลวงปู่ให้เสร็จแล้วเขาก็ขอฟังธรรมะก็เทศให้เขาฟังบอกว่าเยเกจิ ji, พุทธทังสรนังคตาเสนเตคมิดส um ันติอปายพูมิงนราติหญิงชายทั้งหลายเมื่อเอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งแล้วอบายก็ไม่ได้ไปไฟนรกไม่ได้ไหม้สิ้นแสนกับดับขันแล้วก็จะมีแต่สุขติสวรรค์เป็นที่ไปเบื้องหน้า ได้ชี่ว่ามนุษยธรรมโมเป็นผู้มีธรรมะซึ่งเป็นเครื่องกลั่นกรองกิเลสเป็นผู้มีธรรมเป็นเครื่องล้างบาปและเคราะเข็นเวรร้ายนั่นแหละเป็นของดีเลิศประเสริฐแท้เสร็จแล้วเขาก็จากไปเข้าสู่จังหวัดอุดรธานีมีราวๆหน0่ตนเห็นจะได้คืนนั้นนั่งภาวนาทั้งคืนจนถึงรุ่งเช้าแจ้งเป็นวันใหม่พระอาจารย์บุญพินก็ถามว่าเมื่อคืนเนี้ยเทศให้ใครฟัง เทพเทพบระบุเทพพดาที่มาจากเขาใหญ่เขาหมดกเกษียณพบชาติแล้วเขาจะไปเกิดเป็นมนุษย์ที่เมืองอุดรธานีโน่นตอนนี้จะเป็นตอนจบของการเล่าถึงประสบการณ์ในการออกทุดงขวัตปฏิบัติสมาธิภาวนาในป่าเขาลำเนาไพรของพระกรรมฐานสุปฏิปัโนสายของพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตค่ะซึ่งมีนามว่าหลวงปู่จันทาถาวโรนะคะแล้วก็เป็นที่นับถือสูงสุดของคนจังหวัดพิจิตร เรื่องที่หลวงปู่ท่านเล่าถึงการผจญกับพยันตรายหรือว่าสิ่งเร้นลับมหัศจรรย์ยังมีอีกหลายเรื่องค่ะซึ่งล้วนแต่สนุกมีสาระแล้วก็แฝงข้อคิดที่มีคุณประโยชน์ในทางพุทธศาสนาทั้งสิน้นบีก็เลยขออนุญาตนำเรื่องเล่าบางตอนของหลวงปู่มาเผยแพร่เพื่อเป็นธรรมทานต่อไปนะคะ ประสบการตายแล้วฟื้นเมื่อปีพศ2494ค่ะท่านได้ไปจำพรรษาอยู่ที่บ้านตะบอก อ, อเมืองจัังหวดเพชรบูรณ์มีพระจำพรรษาอยู่ด้วยกัน3รูปสามเณรหนึ่งรูปแล้วก็มีผ้าขาวเท่า1คนหลายคนนะคะที่ฟังเรื่องนี้อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะผ้าขาวเท่าคืออะไรผ้าขาวเท่าก็คือคารวะค่ะผู้รักษาศีลแปดอยู่ที่วัดนั่นเองค่ะก็มีอยู่วันหนึ่งค่ะเป็นวันเพ็ญเดือนสิบ หลังจากฉันอาหารเช้าแล้วก็กลับมาที่กุฏิเอาผ้าคลุมจะไปฟังธรรมก็พอดีไข้ามาลาเรียเนี่ยมันกำเริบหนักขึ้นสมองลม้มลงกับพื้นที่กุฏิซึ่งปู ด, ด้วยฟากไม้ไผ่สา ม, มเณรได้ยินเสียงลม้มลงก็เลยออกมาดูแล้วก็ถามว่าครูบาครูบาเป็นอะไรซึ่งคำว่าครูบานี่เป็นคำเรียกพระที่พันษายหย่อนสิบนะคะหลวงปู่ก็เลยบอกว่าไม่รู้มันมึนตืบแล้วก็ลม้มลงไปเลย เนนก็เลยรีบวิ่งออกไปบอกญาติโยมบอกว่าครูบาจันทาเนี่ยล้มลงนะเป็นอะไรก็ไม่ทราบทั้งพระทั้งโยมเขาก็เข้ามาดูค่ะแล้วก็เอาหมอมาด้วยหมอก็มาตรวจแล้วก็บอกว่าเป็นไข้มาลาเรียขึ้นสมองอย่างหนักอีก5นาทีก็จะสิ้นลมทางด้านของโยมทายกวัดเนี่ยเขาก็ว่าจะเป็นหรือตายอย่างไรก็ต้องต้องฉีดยาช่วยเหลือไว้ก่อนพอฉีดยาเสร็จไม่นานก็สิ้นลมค่ะ เมื่อสิ้นลมดวงจิตนั้นก็ยังไม่ยอมออกจากร่างยังหวงใยเสียดายร่างกายอยู่ไม่นานก็มีเพื่อนคนหนึ่งเนี่ยมายืนอยู่ข้างๆแล้วก็ร้องบอกว่าเพื่อนรีบออกจากเรือนเถอะไฟมันจะไหม้ทับหัวก็เลยออกจากร่างมายืนติดกับเพื่อนเพื่อนก็บอกว่านี่แหละเพื่อนเอ๋ยสมบัติร่างกายนี้เนี่ยมันอาศัยกันมาตั้งแต่วันเกิดจนถึงวันนี้ก็ถูกไฟพญ า, าธเผาให้เร่าร้อนชิบหายซะแล้วจะอาศัยอยู่ต่อไปอีกไม่ได้หมดเพียงแค่นี้นั่นแหละ ถึงจะเสียดายอย่างไรก็หมดสิทธิ์อำนาจที่จะไปเข้าครอบครองอีกต่อไปก็คงไม่มีหลังจากนั้นนะคะทั้งพระแล้วก็โยมเนี่ยก็ช่วยกันเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็หามศพไปไว้ที่สาลาวางนอนไว้เฉยๆค่ะไม่ได้ใส่ในโรงแล้วก็ไม่ได้ฉีดยาด้วยก็ตามไปดูอีกเพราะว่าความเสียดายเหมือนเดิมเข้าไปนั่งรูปนั่งคลำร่างกายของศพดูแล้วก็เฉยเหมือนขอนไม้หลวงปู่ก็เลยบอกว่าโอนา ขึ้นชื่อว่าตายแล้วถึงจะคิดเสียดายอะไรตายอยากอะไรอววรอย่างไรก็เอากลับคืนมาไม่ได้แล้วก็หมดความสงสัยทีนี้ก็เลยหันไปพูดกับสัมมาเนนเขาก็ไม่พูดด้วยไปถามญาติโยมเขาก็ไม่พูดด้วยหลวงปู่ก็เลยหันกลับไปถามเพื่อนถามเพื่อนบอกว่าเราจะไปไหนกันดีเพื่อนก็ตอบว่าจะพาไปเที่ยวดูภูมิประเทศ ก็เลยออกเดินทางกันวันยังค่ำนะคะแต่ก็มีดวงจิตไปแบบสบายไม่หิวโหยไม่เหนื่อยล้าครั้นไปถึงกึ่งกลางระหว่างสองหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเป็นภูเขาอีกหมู่บ้านหนึ่งเนี่ยเป็นป่าดงในระหว่างกลางนั้นเป็นสนามเล่นก็เลยไปพักเล่นอยู่กับเขาจนกระทั่งตีสพวกเขากลับบ้านกันหมดเพราะว่ามันจะค่ากลางคืนเนี่ยเป็นกลางวันของเขาเมื่อพวกเขากลับกันหมดแล้วก็ถามเพื่อนบอกว่าเราจะไปไหนกันอีก เพื่อนก็บอกว่าเราเองก็มาใหม่ยังไม่รู้จักภูมิประเทศดีจะไปข้างหน้าก็เป็นป่าเป็นดงไปข้างหลังก็เป็นภูเขาแต่ว่าขณะนี้สมบัติปัจจัยเก่าคือร่างกายนั้นยังสดชื่นอยู่พอที่จะกลับคืนสู่ร่างเก่าได้เพราะมีบุญครึ่งหนึ่งรักษาไว้แต่ว่าเรามาไกลแล้วจะเดินกลับคงไม่ทันต้องวิ่งเอ้าววิ่งก็วิ่งหลวงปู่บอกข้ามดงข้ามทุ่งมาถึงวัดแล้วก็ขึ้นไปบนศาลาไปดูซากศพก็เห็นนอนสบายดีอยู่ มีแต่ญาติโยมที่มาเฝ้าศพปรึกษากาันว่าจะเผาหรือจะฝังเท่านั้นเพื่อนก็บอกให้เข้าไปนั่งติดกับร่างศพแล้วก็ตั้งสติให้ดีนึกถึงบุญเก่าแล้วก็บุญใหม่ประกอบกันเข้านั่นแหละจะช่วยให้ดวงจิตกลับเข้าสู่ร่างได้พอนึกถึงพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณแล้วก็คุณบิดามารดาครูอุปชาอาจารย์พอนึกจบแล้วก็เข้าสู่ร่างกายได้สบายเมื่อหันหน้ากลับมาดูเพื่อนอา้าวเพื่อนหายไปซะแล้ว พอแจ้งวันใหม่ก็กระดูกกระดิกร่างกายได้สมบูรณ์ดีแล้วก็ลืมตาขึ้นก็ได้ยินเสียงนกแซงแซลเนี่ยร้องก็เลยระลึกขึ้นได้ว่าเรามีชีวิตกลับคืนมาได้ก็เพราะบุญดอกนะบุญที่สะสมไว้ตั้งแต่อดีตชาติปางก่อนโน้นแล้วก็ชาตินี้ประกอบกันเข้าเป็นเครื่องรักษาฉะนั้นตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะสะสมแต่บุญกุศลเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ว่าจะเป็นสมบัต ข้าวของเงินทองกุฏิวิหารสบงจีวรหรือว่าจะเป็นสังคาติก็ดีเมื่อสิ้นลมแล้วก็ทอดทิ้งไว้หมดซะมีแต่บุญกุศลเก่าและใหม่เท่านั้นที่จะบันดาลให้เป็นเสื้อผ้าอาภรเป็นสบงจีวรเป็นสังคาติสวยงามเป็นที่พึ่งพิงอาศัยได้แน่นอนเมื่อตั้งสัตว์อธิษฐานเช่นนี้แล้วนะคะหลวงปู่ก็ลุกขึ้นนั่ง พวกญาติโยมที่มาเฝ้าศพอยู่บนสาราก็ตกใจค่ะบ้างก็วิ่งหนีบ้างก็กระโดดลงสาราไปด้วยความกลัวค่ะไม่นานนักเมื่อหายตกใจแล้วนะคะก็พวกโยมทายกวัดก็เข้ามาถามความเป็นมาเพราะไม่เคยเห็นคนตายไปวันกับคืนหนึง่งแล้วก็ฟื้นขึ้นมาได้ก็แสดงให้เขาฟังอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละแล้วก็บอกว่าโยมทั้งหลายต่อไปนี้เนี่ยจงยึดเอาอัตมาเป็นคติธรรมเตือนใจนะ เพราะว่าบุญกรรมที่เป็นความดีสะสมไว้แต่อดีตชาติบางก่อนโน้นแล้วก็ชาตินี้ประกอบการเข้าก็จะเป็นสมบัติรักษาร่างกายไว้ถึงตายแล้วก็ไม่เน่ายังสดชื่นเหมือนเดิมทําให้ฟื้นกลับคืนมาได้ฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายจงรีบเร่งสะสมคุณงามความดีใส่ตนไว้จะได้เป็นเพื่อนสองเป็นคู่ครองติดตามกันตลอดไป ในปีพศ2497ค่ะหลวงปู่จันทาเองท่านก็ได้ไปวิเวกที่ดงม่อทองอำเภอวานนนิวาสจังหวัดสกลนครกับหลวงปู่ข่าวอนันลโยแล้วก็พระอาจารย์จวนกุลเชษโทนะคะแล้วก็พระอื่นอื่นอีกรวมแล้วก็มีพระทั้งหมด 7-8 รูปด้วยกันมีอยู่คืนหนึ่งค่ะขณะที่เดินจงกรมอยู่ประมาณ 4-5 หทุ่มก็มีช้างเนี่ยฝูงใหญ่ราวสิบตัวเดินเข้ามาหาพอห่างได้ระยะหนึ่งเส้น จาฝูงก็กระทึบเท้านี่สามครั้งแล้วก็บวกหูไปมาพร้อมกับชูงวงขึ้นขณะนั้นหลวงปู่บอกว่าหลวงปู่เองไม่มีความสะทกสะท้านหรือว่าเกรงกลัวอย่างไรทั้งสิน้นเพราะว่าอํานาจของพระธรรมเกิดขึ้นแล้วที่จิตคือความสงบนั่นเองค่ะก็เลยกําหนดถามพระธรรมตัวเองขึ้นบอกว่าช้างเขามาทําอะไรกันพระธรรมก็พูดขึ้นว่าช้างฝูงนี้เป็นญาติของเรามาแต่ชาติปางก่อนนู่นเขามาอนุโมทนาส่วนบุญกับเราจงอุทิศส่วนบุญให้เขาซะ ก็เลยตั้งใจมั่นแล้วก็แผ่เมตตาให้กับช้างบอกว่าช้างพวกท่านกับอัตมาเป็นญาติกันมาตั้งแต่ชาติปางก่อนนู่นมาชาตินี้ก็ได้มาประสบพบปะกันแล้วจงอนุโมทนาส่วนบุญนะจะอุทิศให้หลังจากนั้นหลวงปู่ก็สวดคำว่าปุญญังอุทิศะทานังสัพเพสัตตาสุกิตาหนตุขอให้ท่านทั้งหลายจงได้รับส่วนบุญเถิดจากนั้นก็ให้อววาดแก่เขาบอกว่า ขอพวกท่านทั้งหลายจงน้อมอาพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้เป็นที่พึ่งนะไหว้พระสวดมนต์ภาวนาประจำชีวิตไม่ลดละท่านทั้งหลายจงตั้ง ต, งตนอยู่ในศีลห้าปลาประกังปานาติบาทอย่าพื่งฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมนุษย์นะมันเป็นบาปเหย่าเพื่งรักขโมยกินของแร่ของสวนเขานะมันก็เป็นบาปเหมือนกันเขาจะฆ่าเอาอย่าพื่งนอกใจซึ่งกันและกันนั่นแหละอันนี้เป็นข้อสําคัญมั่นหมายเมื่อพวกท่านมีพระไตรสรณคม พุทโทรธธัมโมสังโฆเป็นสาระที่พึ่งแล้วมีสีลห้าประจําชีวิตก็จะได้มนุษสธธ ร, รมโมเปลี่ยนชาติจากพบสัตว์เดรัจฉานไปเป็นมนุษย์เมื่อเปลี่ยนชาติพบแล้วก็จะได้ทําคุณงามความดีเหมือนอย่างข้าพเจ้านี่แหละเขาก็ตั้งใจฟังจนจบจากนั้นจ่าฝูงก็กระทึบเท้า3ามครั้งแล้วก็โบกหูพึบับึบผับพร้อมกับเดินจากไป สมัยนั้นที่ดงม้อทองอยังเป็นป่าดงทึบนะคะมีสัตว์ป่ามากมายทั้งช้างทั้งเสือเหลืองเสือโคร่งส่งเสียงร้องกันสนั่นหวั่นไหวแต่ว่าสัตว์ร้ายเหล่านั้นก็ไม่ได้ทำร้ายหรือว่าทำอันตรายแต่อย่างใดเพราะว่าอำนาจของการประพฤติ ธ, ธรรมดนบันดาลให้เป็นมหเสน่เมตตามหานิยมนั่นเองค่ะ แล้วก็อีกเรื่องหนึ่งของหลวงปู่จันาทาถาวโรนะคะเป็นเรื่องของการไปพบเข้ากับเสือโคร่งกลางป่าเมื่อปีพศ2496ค่ะได้เร่ร่อนสัญจรไปวิเวกยังดงพระลาดบ้านหนองแปนอำเภอวานนนิวาทจังหวัดสกลนครก็มีพระสองรูปแล้วก็สามมเนรหนึ่งรูปไปทําที่พักอยู่กลางดงห่างจากหมู่บ้านราวสองกิโลเมตร มีพระอยู่รูปหนึ่งนะคะไปทาที่พักอยู่กลางดงใต้ต้นเมฆค่ะแล้วก็เนรเนี่ยก็ไปทาที่พักอยู่กลางป่ารกๆส่วนอัตมาไปทาที่พักอยู่ในสถานที่ที่ช้างแล้วก็เสือมันจะขึ้นลงไปกินน้ำในห้วยคืนแรกพอค่ามาก็ลงเดินจงกรมจนถึงสองทุ่มจากนั้นก็ไหว้พระสวดมนต์เสร็จแล้วก็นั่งสมาธิภาวนาต่อไปจนกระทั่งประมาณ 3- สี่ทุ่ม เสือโครงใหญ่ลงไปกินน้ําในห้วยแล้วก็กลับขึ้นมาหายใจดังฟืดฟาดเลยนะคะเสียงมันดังเพราะว่าคอมันใหญ่ก็เดินหางปัดหางดังกลัวกล้ากลัวกล้าใกล้เข้ามาก็นึกในใจว่ามันจะทําอย่างไรก็แล้วแต่บุญแล้วแต่กรรมเถิดถ้าได้ทํากรรมไว้ก็มอบร่างกายนี้ให้เป็นพักษาหารของเสือใหญ่ไปเลยไม่อะไรเสียดายทั้งนั้นเมื่อเสือใหญ่เข้ามาใกล้ที่พักมันก็เดินเลี่ยงไปทางพลานหินแล้วก็วกกลับมานั่งดู ยืนดูอยู่ตรงนั้นนั่นแหละเสือก็เฝ้าอยู่แบบนั้นจนล่วงไปถึงหกทุ่มมีเทพประบุองค์หนึ่งพูดมาว่าหลวงพ่อหลวงพ่ออย่ากลัวนะแมวใหญ่ตัวนั้นน่ะข้าพเจ้าบอกให้เขามาเฝ้ารักษาหลวงพ่อไว้ตัวที่อยู่ใกล้เฝ้าดูแลรักษาส่วนตัวที่อยู่ไกลก็ร้องส่งสัญญาณขู่ไม่ให้สัตว์อื่นเข้ามารบกวนในบริเวณนี้ทั้งนี้เพราะข้าพเจ้ากับท่านและเสือใหญ่นั้นเป็นญาติกันมาหลายภพหลายชาติแล้วมาชาตินี้ เห็นท่านมาเจริญสมณธรรมเกรงว่าจะเป็นอันตรายก็เลยให้เขาเนี่ยมารักษาญาติพี่น้องของเราไว้อย่าให้เป็นอันตรายจะออกไปขี่หลังมันก็ได้นะไม่ต้องกลัวนั่นแหละคืนนั้นก็ไม่ได้นอนทั้งคืนนั่งภาวนาอยู่จนสว่างแจ้งเป็นวันใหม่เสือมันก็เข้าดงไปไปวิเวกตามสถานที่ต่างๆ่ก็เป็นแบบนี้เมื่อก่อนนี้ในภาคอีสานยังมีคนน้อยมีแต่ป่าดงดิบสัตว์ร้ายเสือช้างอะไรก็มีมาก ผีก็เยอะผีกองกอยสมอยดงผีโป่งผีป่ามากมายถึงแม้จะมีสัตว์ ร, ร้ายมากขนาดไหนก็ไม่หวั่นไหวนะภาวนาอยู่ที่นั่นนานๆก็ไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นกับอัตมา